เป็นทางแห่งความหลุดพ้นทางสู่ความพ้นทุกข์ทางบรรลุสู่นิพพานการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องเป็นทางเดียวที่สลัดทุกข์ได้ถาวรไม่ต้องเวียนตายเกิดต่อไปพระธรรมมีคุณค่ายิ่งใหญ่ไม่มีความรู้ใดยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอกราบบูชาคุณของพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกราบด้วยกายวาจาใจ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 ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฐิมีตาสว่างในทุกเรื่องสิ่งใดเป็นกุศลขอทําสําเร็จโดยง่ายสิ่งใดเป็นทุกข์อกุศลเป็นเหตุตกต่มกว่าปัจจุบันเป็นทางสู่อบายภูมิขออยาให้ข้าพเจ้าทําสําเร็จอย่างเด็ดขาดเมื่อมีปัญหาขอให้แก้ไขได้โดยง่ายขอให้มีปัจจัยและสุขภาพที่พร้อมในการดูแลตนและครอบครัว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 แด่พระและนักบวชรวมถึงเทวดาที่ข้าพเจ้านับถือแด่สมเด็จโตหลวงพ่อพุทธหลวงตาพระมหาบัวสมเด็จพระสังฆราชพระมหาราชทุกพระองค์พระเจ้าตากสินพระนเรศวรพระพุทธยอดฟ้าพระปิยะพ่อขุนรามกรมหลวงชุมพรพระศาสดาและนักบวชผู้ส่งความดีทุกศาสนาน้อมกุณส่งให้เจ้ากรรมในเวรและครอบครัวของข้าพเจ้าทุกภพชาติ แด่เทพเทวาทุกภพภูมิประพัวทสัตว์ท้าวมหาราชทั้งสี่อินพรมยมยักษ์คนทันกุมพันธ์นาคอสูรพระภูมิเจ้าที่ในหลวงพระราชินีพระสยามเทวาทิราชเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาทหารตำรวจข้าราชการผู้ทรงความดีทุกสาขาอาชีพเทวดาและวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในน้าบนบกบนต้นไม้ หรือในอากาศก็ดีปีศาจเปรตสัมภเวสีสรพสัพตทั้งหลายทุกภพภูมิทั่วหมื่นจักรวาลอนันตจักรวาลขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมอนุมโมทนาขอโปรดอภัยความผิดที่เคยล่วงเกินขออย่ามีเวรต่อกันอีกเลยขอย อ, อ, ยขอยา่าเบียดเบียนซึ่งกันอีกเลยขอทุกท่านจงมีสุขพ้นจากทุกภัยปลอดจากอากุศลลจิตทั้งสิ้นเทิด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 มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับดับไปแห่งสังขาร น, นั้นเป็นสุขหายใจเข้าช้าลึกหายใจออกช้าลึกเบาสบายผ่อนคลาย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 คลอบคลุมไปทั่วประเทศครอบคลุมทั้งโลกแผ่คลุมทั้งจั ก, กรวาลทั่วอนันต์จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน